เป็นไงภาวนาเป็นไงแล้วความโลภกับโมหะมันดูยากกว่าโทสะอีกนะ <c oughs> แล้วดิโทสะชวนแป่นรกโมหะไปชวนไปเป็นเดรัจฉานโลภะมันชวนเราไปเป็นเปรตกับอสุรกาย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 ท้าไม่รู้สึกตัวน่ากลัวนะแต่ถามว่าจะไม่ให้มีกิเลสได้ไหมไม่ได้นะเพราะกิเลสเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้ามีเหตุมันก็เกิดเหตุของอย่างเหตุของโทสาเรามีอนุสัยที่โมโหมีพื้นฐานเดิมที่โมโหพอเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีโทสาก็เกิด ถ้ามีพื้นฐานเดิมนะที่โลกจะเจออะไรสวยๆงามๆเข้ามันก็เกิดโลภะเกิดราคะขึ้นมาไอ้กิเลสเองก็เราก็บังคับมันไม่ได้ในหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้กิเลสเกิดแล้วว่าห้ามไม่ได้ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับเขาไม่ได้นี่พอกิเลสเกิดแล้วในหน้าที่ของเราก็คือฝึกฝนตัวเองเรื่อยให้สติเกิดสติ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 จิตจะรวมเข้ามาอัปปนาสละที่แลตัความเห็นผิดลงไปเลยถัดจากนั้นพอจิตถอยออกมาแล้วเนี่ยจิตจะไม่มีวันเห็นว่าจิตเป็นตัวเราอีกลนะเปลี่ยนคุณภาพเพราะฉะั้นตัวที่จะทําให้เปลี่ยนคุณภาพได้คืออริยมรรคทั้งเกิดขณะเดียวนะแว็บเดียวสเสดงจะเปลี่ยนคุณภาพฉับพลันส่วนการมีสติในแต่ละวันแต่ละวันนี่สะสมสะสมเชี่ยวปริมาณ ผมไปจนสติสมาธิปัญญานี่กกำลังกล้าประชุมลงรวมลงในสัมมาสมาธิรวมกล้าปณสัมมาธิฏตะมันคล้ายๆเราไปล้างความเคยชินเก่าสำเร็จนะใครดูไปนะสู้กันไปถ้าไม่สู้กิเลสละลากรับไปถอะไรนะ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 อย่างหน้าตาเราเนี่ยหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาเมื่อปีกลายก็ไม่เหมือนกันี่ยหน้าตาเราเดี๋ยวนี้กับตอนเด็กยิ่งไม่เหมือนกันใหญ่มันเห็นในกายไม่ใช่ตัวเราไม่คงที่เลยเปลี่ยนตลอดหรือบางคนเห็นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุบางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูเท่านั้นไม่เห็นได้ง่ายแต่ว่าตราบใดที่ยังเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยสักกายทิฏฐิไม่ขาดสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเรา เห็นแล้วกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราดูออกอยังเวทนาก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เรานะกิเลสก็ของถูกรู้ถูกดูดูออกแล้วใช่ไหมคุณอาไชยทิพย์หรือแต่ตัวรู้ตัวดูตัวจิตนี่แหละเพรฉนเราต้องคอยเฝ้ารู้ไปจิตนี้เกิดดับเกิดดับเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจคุณอาไชยทิพย์เห็นอยู่ไหมไม่เฝ้ารู้อย่างเงี้ยนถึงวันหนึ่งมันเห็นแจ้งจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยเราบังคับมันไม่ได้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 นี่พวกเราเป็นภูตุชนแต่เราได้สดับธรรมของพระอริยะเจ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรามาเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงเราเห็นในจิตเกิดทางตาระดับเกิดทางหูระดับเกิดทางใจระดับเป็นจริงๆเห็นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งยอมรับความจริงจิตเขายอมเขาเองถึงเวลาที่เขายอมจิตนี้จะดื้อที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จิตนิรักและหวงแหนมากเท่ากับตัวจิตเอง สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราตัวเรานะ่ลึกซึ้งถึงที่สุดก็คือจิตนั่นเองเราเห็นว่าจิตคือตัวเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งใช่ไหมนี่ร่างกายของเราเห็นไหมแค่ของเราแต่จิตเนี่ยเป็นตัวเราเีจยรู้สึกเลยว่ามีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้เฝ้ารู้เฝ้าดูวันหนึ่งเห็นความจริงเราไม่มีหรอกมีแต่ธรรมชาติที่ทํางานเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะร้อยกันเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยเรต่เห็นจริงอย่างเนี้ยละความเห็นผิดในฉับรันพอเห็นถูกก็ละความเห็นผิด หลังจากนั้นเราก็เฝ้ารู้จิตใจของเราต่อไปนะไม่มีอะไรที่เราหวงแหนเท่ากับจิตถึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วนะก็ยังหวงอีกเนี่ยป็นของโลกนะแต่ยังงกอยู่คล้ายๆไปยืมสมบัติเข้ามาใช้แต่ไม่ยอมคืนนึกว่าของดีเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นตัวดีเห็นว่าถ้าจิตเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีความอยากไม่มีความยึดถือจิตจะมีความสุขจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง เฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปวันหนึ่งเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่จิตเป็นสุขบ้างทุกบ้างแล้วอย่างเนี้ถึงจะเกิดการปล่อยวางจิตไปแกล้งกอะไรอย่างหนึ่งนะไปหยิบมาแล้วห่วงไม่ยอมปล่อยแล้ววันหนึ่งเกิดเฉลียวใจแบมือดูเว้ยกลายเป็นทางพกน่าเกลียดไหมจะรีบโยนทิ้งเลยเราจะเห็นจิตเป็นไตรักเมื่อไหร่ล้วก็เราจะโยนทิง้งจะปล่อยวางความยึดถือจิตแล้วเนี่ยเส้นทางเดินตลอดสายอยู่ที่ตรงนี้ เป็น้ารู้เฝ้าดูนะเฝ้าดูไปไม่มีอะไรมากกว่าการรู้ไงาจันนองน้องเก่งก่าห ร, หรือเก่งกว่าน้องแนละ้วแล้วพอๆกันฝึกไปเรื่อยนะยังไม่พอะต้อนะงฝึกไปอีกนี่ที่หลวงพ่อเล่าสอนให้น้องนั่งทุบกันอ <laughs> าจจะนองมงคลเป็นไงมงคล เราไม่ฝึกเอาดีนะเราสงบแต่ว่าเพื่อให้เรามีเรี่ยวมีแรงค่อยรู้คอยดูเห็นความเปลี่ยนแปลงเข้าไปเรื่อยๆเราไม่ได้ฝึกให้เขาดีถาวร น, นะคือพวกเราชอบวาดภาพว่าเมื่อเราฝึกไปแล้วเป็นพระรหันต์เนี่ยจิตจะมีความสุขถาวรจิตจะดีถาวรหรือดีไม่ดีก็คิดว่าตัวจิตนั่นแหละถาวรไม่ตายเลยตัวจิตเป็นตัวขันนะ ขันยังไงก็ไม่เที่ยงขันยังไงก็เป็นทุกข์ขันยังไงก็บังคับไม่ได้รู้ความจริงแล้วปล่อยวางไม่ใช่ไปดัดแปลงจนเข้าดีถาวรได้คนส่วนมากฝึกฝนขึ้นมาเนี่ยมุง่งบังคับมุ่งฝึกจิตให้ดีถาวรฝึกไปเรื่อยข้าวชานไปเรื่อยได้เป็นพระปลม่มมีอายุยาวรู้สึกถาวรวันหนึ่งตาย รู้จักใจลอยไหมรู้จักไห ม, มเออน่าจะรู้จักใจลอยเนี่ยภาวนาเป็นละง่ายแต่คนไหนไม่รู้จักใจลอยไม่รู้จักว่าเหม่อเป็นไงนะก็คือไม่รู้จักคาว่าสตินะั่นสติเนี่ยพราพี่ทมสอนไว้สติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะไม่ใจลอยนั่นแหละเมื่อไรใจลอยก็คือมันนัอนขาดสติขาดสตินะณ <c oughs> นะที่เรารู้สึกเรื่อยๆ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 เมื่อใดเราหลุดออกจากโลกของความปรุงแต่งเนี่ยถ้าสติรู้กายจะเห็นทันตีกายไม่ใช่เราถ้าสติเกิดไประลึกรู้จิตโดยไม่ได้เจตนาจะระลึกนะจะเห็นทันตีระจิตไม่ใช่เราง่ายนิดเดียวเส้นผมบางภูเ ข, ขานิดเดียวเพราะฉะนั้นจุดแรกของผู้ปฏิบัติคือรู้ดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้มาอยู่ในโลกของความจริงรู้สึกตัวขึ้นมาหนีวิคิดอีกแล้วรู้สึกไหมคุณเสื่อนเหลืองเนะี่ยเวลาที่เราไปคิดคิดคิดเรารู้เรื่องที่เราคิด นะเราจะรู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจของเราเองหนะ้าที่เราทำเองจะรู้กายจะรู้ใจได้บ่อยๆของคุณนี้แหละทาอะไรอยู่เมื่อกี้เนี้ยอ่านะไปจ้องกายไม่ใช่รู้กายจงใจไปรู้นึกออกไหมจงใจไปรู้เนี่ยก็คือมีโลภะเจตนาเป็นโลภะเจตนานะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเราเกิดความโลภ เราอยากรู้กายเราอยากปฏิบัตนะิเราก็ลงมือปฏิบัติคือลงมือปิดจ้องใส่กายมันคือการเท่งกายมันไม่ใช่การรู้กายถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตจะไม่มีอกุศลแต่จิตตะกี้เป็นอกุศลจิตนะเกิดโลภะขึ้นก่อนแล้วก็ไปจ้องเอาไว้อยากรู้นึกออกไหมมันเป็นอกุศลรรจิ ต, ตั้งระวังนะนะปฏิบัติ <c oughs> งั้นทำไงจะรู้กายรู้กายรู้เฉยๆเลย อย่าลงไปจ้องไว้อย่าให้ใจเราไหลเข้าไปแช่อยู่ในกายให้สักว่ารู้กายต้องสักว่ารู้นะรู้เหมือนคนมงนอกเราจะเห็นเลยกายก็ส่วนหนึ่งกายเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตอยู่สหากเป็นคนรู้คนดูแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจไปเรื่อยถ้าเราไม่แยกพอเราอยากดูอยากดูก็เป็นโลภะทรงใจเข้าไปดูนะ่เป็นการกระทากรรมถ้ารยนภิธรรมจะรู้จักไล กิเลสเนี่ยเป็นสหาชาติปัจจัยเรียกสหาชาติปัจจัยของกรรมคือในขณะที่มีกรรมิเลสแล้วก็ลงมือกระทำกรรมตอบสนองกรริเลสลงมือทำงานทางใจอยากอยากปฏิบัติส่งใจไปดูกายการส่งใจไปดูกายเรียกว่าการกระทำกรรมในระหว่างที่กระทำกรรมด้วยอำนาจของกรริเลสเนี่ยกิเลสตัวนั้นยังอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราจงใจไปดูกายโลภะอันนี้ก็ยังอยู่ เมื่อมันยังอยู่ในขณะนั้นสติจะเกิดไม่ได้เพราะสติจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้เน้นถึงเราไปนั่งจ้องจ้องจ้องไง น, นะจิตตนากุศลนะต้องระวังสติตัวจริงไม่เกิดถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาเลย จ, จิตจะตื่นลักษณะของมหากุศ ล, ลจิตจิตจะครบเลยเช่นจิตมีลภหุตามีความเบาแต่ถ้าเราไปจ้องมันจะหนักรู้สึกไหมถ้าจ้องเมื่อไหน่จะหนัก หนักนี่อกุศล น, นะลักษณะของอกุศลถ้าเรารรู้ั็สติรู้เองโดยไม่เจตนาจะรู้ใจจะเบามีละหุตาใจจะอ่อนโยนนุ่ม น, นลวลเราจ้องใจจะแข็งแข็งใจของเราจะมีกรรมัญตาควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลรครอบงำจิตที่ลงไปจ้องนั้นะถูกโลภครอบงำอยู่อยากดูอยากปฏิบัติไม่งั้นไม่มีความควรแก่การงาน จิตที่เป็นกุศลเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวจิตของเราจ้องแล้วซึมซึมคล่องแคล่วว่องไวเรียกว่าปากกุนตาคล่องแคล่วเปรี่ยวไม่ซึมถ้าซึมซึมนีอาคุศลละจิตจิตที่เป็นกุศลไม่มีอุชุกตาซื่อรู้อย่างแล้วก็ทําหน้าที่รู้เท่านั้นเองไม่เข้าไปแทรกแทรงของเรารู้ไปคิดไปรู้ไปหาทางละไป น, ะนี่อาคุศลละจิตต้องระหว่างค่อยๆเรียนนะ พวกเราอย่าพลาดเราเรียนธรรมมาของพระพุทธเจ้าไม่ครบนะท่านสอนไตรสิกขาบทเรียนสามบทเรียกว่าไตรสิกขาเรีเรื่องศีลเรนเรื่องจิตเรียนเรื่องปัญญาศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาจิตตสิกขาเรียนจะรู้จักว่าจิตยังไงเป็นกุศลยังไงเป็นอกุศลจิตยังไงรู้สึกตัวยังไงไม่รู้สึกตัว จิตยังไงทำสมถะทำอย่าจิตแบบไหนทำมิปัสสนาต้องรู้ลักษณะถ้าไม่รู้เราจะทำผิดเราจะเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมาเจริญสติเอามาคอยรู้กายกลายเป็นเอาโลภะเอาจิตที่มีโลภะไปรู้กายกุศลไม่มีหรอกเป็นอกุศลอยู่นั้นปัญญาไม่เกิดหรอกพอรู้เรื่องไหมนึกออกไ้ยว่าเราเอาใจเข้าไปแช่ เราอยากปฏิบัติเอาใจก็ไปแช่ไว้ใจก็ทื่อๆอยู่นี่ยิ่งแช่นานเป็นแก่นะเราจะได้ความเห็นผิดติดตัวไปเราจะรู้สึกว่าเราบังคับได้เน่จ้องไว้เนี่ยกิเลสไม่เกิดเลยเงียบๆกี่วันก็เงียบอยู่เงียบ้าตายไปแล้วก็เอาความเห็นผิดว่าจิตนี้เป็นของบังคับได้เอาความเห็นผิดอันนี้ติดตัวไปด้วยหนีไปคิดแล้วทราบไหม ลืมตัวเองไม่กี้นิหนีไปคิดนะไม่ทันแล้วไม่ต้องลืมไปเลยลืมที่หลว ง, งพ่อพูดไม่ทันสภาวะมันดับไปไปคิดทวนอยิ่ยงงงหนักรู้ปัจจุบันแต่ไงรู้เรื่องง่ายมาหลายทีแล้วกิเรศเกิดบ่อยไหม <c oughs> อย่างความอยากพูด <c oughs> หรือเปล่มไหมเป <c oughs> ็นดันขึ้นมา <c oughs> เห็นไหม ม, มันมีแรงดันถ้า <c oughs> พูดได้ เอ่อไม่ประมาณว่าประมาณว่าเวลาที่รู้สึกแับคิดเนียอย่างนี้รู้สึกว่าได้ความต่างอะฮะไม่ต่างเลยเนอค่ะเดี๋ยวแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกถึงความต่างว่าอันนี้คิดรู้สึกเกิดหลเมื่อยกประมาณเสียที่คแยจะรู้สึกแเนมันเหมือนันแ้ายๆกันะคือไม่ไม่คลายนะ มันมันจะไม่คล้ายกันเลยแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นพอใจเราคล้ายๆมันเคลิ้มเคิมไปนิดหนึง่นะงรู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นนิดนึงนะพอเรารู้เราดูไปด้วยคือคนที่ไม่ได้ทำฌานจิตจิตไม่มีกำลังนะหรือถ้าพอไปทำก็ไปทำมิชฉาสมาธิก็ไม่มีกำลังนะ นะแต่ต้องเป็นสัมมาส ม, มาธินะไม่ใช่มิจฉาเกือบทั้งหมดนะมมเนี่ยทำมิจฉามิจฉาเนี่ยทําด้วยโลภะอยากปฏิบัติก่นคุณใช้กรรมฐานอะไร<อ>สมฐายุหนองๆแล้วลับตัวอ่นะอืมนะเอาอะไรก็อนก็ได้นะดูฟองยุบไปเห็นท้องฟองท้องยุบใจเป็นคนดูจนกระทั่งใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยพอใจตั้งมั่นแลาวตอนะะนี้มีกําลังอ่ะจะเห็นจิตไหลไปคิดปุ๊บก็เห็น จิตรู้สึกขึ้นมาก็จะเห็นแต่ทํานิดนิดหน่อยหน่อยนะอย่าเยอะนะติดสมถายุ่งที่สุดเลยแก้ยากเมืม่อสุดวันที่แล้วอะค่ะเหมือนได้พูดเลือกสการของตัวเองมันมีความไม่พอใจที่ล้มเห น, นะแล้วเราก็ประหลาดใจที่เราเห็นอาการของตัว เ, เ, าวเราไม่รู้นั่นที่เราใช่ใช่นั่นแหละทําเป็นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังเรากําหนดฟองยุคไปเรื่อยมันจะไม่เห็นอันนี้ยจะเข้ามาไม่ถึง มันได้แค่สมสถะเนี่ยให้ใจมันมีเรี่ยวมีแรงอย่างนี้นะเมื่อกี้มันซึมจิตใจที่มันจะรู้เนื้อรู้ตัวมันต้องมีแรงนย่างขนาดนี้ยมันมีแรงขึ้นมาลนะรู้สึกไหมแรงซึมเตะนะ้ให้มัน a ิ e r t ขึ้นมานะ่ะอย่าให้ซึมซึมซึมนี่ไม่ดีเลยซึมซึมยิ่งเราชอบฝึกกรรมฐานฝึกให้ซึมแล้วนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่หลายคนเลยแบบ ค่าๆนะเปิดเทปนะเปิดเทปครูบาอาจารย์หาที่ท่านเสียงนุ่มๆรอบๆหน่อยนะพูดช้าๆหน่อยเปิดแล้วก็นั่งสมาธินะเคลื่อบแงงองแ ง, ง, งครบชั่วโมงเทปหมดมนะ้วนแล้วออกมาสดชื่นยังเลยวันนี้จิตสงบมุ้ยสงบอะไรไปนั่งหลับแท้ๆดีที่คอไม่เครียด อย่างนี้สีอ่อย่าไปกดมันเวลามันโกรธนะนึกถึงลองหลับตาแล้วนึกถึงหน้าตาของเราออกไหมเมื่อตอนนี้หน้าตาของเราเป็นไงเนี่ยขยับเนี่ยเรานึกออกไหมเวลาโกรธนะใครนึกถึงหน้าเราไว้อย่ารู้สึกนักเลียดนักเกลียดเยดเี๋ยวมันเลิอกเอง ถ, ถ้าไปดูที่จิต น, นั่นเดี๋ยวจะไปเพ่งใส่มันนะจะไปกดใส่มัน รู้สึกเลยร่างกายเวลามันโกรธนี่นะหน้านิ้วคิ้วขมวดจยรู้สึกหน้านิ้วคิ้วขมวดนะรู้สึกเนี่ยยักหน้ารู้สึกไหมใครรู้สึกมนะ <k> วมันจะหายไป ไ, ไม่หายหรอกถ้ามีเหตุก็เกิดแต่ถ้าสติเร็วมันก็จะเกิดไม่ไม่ทันจะแรงเหมือนคนจะมาวางเปลืองบ้านเราอะแค่มันจุดไม่กีดเราก็เห็นนะโอ้บอกทีเดียว ถ้าเราสติเราช้าแล้วมันไม่นโกรธแรงแล้วถึงจะเห็นอย่างี้สู้ไม่ไหวละ